พระธรรมเทศนาลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่ามีสติมุ่งมั่นปล่อยวางหนทางสู่มรรคผลผู้ที่เข้ามาแล้วจิตใจยังไม่ไปตามแนวแถวของพระจิตใจคล่องแวะหันเหไม่รู้จะไปทางไหน บางทีก็เหมือนกับอวกาศยานอาวกาศมันบินขึ้นไปแล้วทาเด่งขึ้นไปพ้นชั้นของโลกไปแล้วมันเข้าแดนอวกาศมันก็ไปได้โลกไม่ดึงดูดแต่ถ้าว่าขึ้นไปแล้วเก้ๆกลางๆโลกก็ดึงดูดตกลงมาได้ไง่ายๆเหมือนกันนี่ชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริง อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จออกไปบวชท่านบอกว่าเราจะไม่กลับมาอีกแล้วเราจะต้องหลีกเล้นหาทางพ้นทุกในชาตินี้อันนี้คือความตั้งใจคือความมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าอันนี้คือศาสตราท่านตั้งใจมั่นจริงๆตัดขาดพราะโลกเรียนรู้มาแล้วว่าเป็นยังไงแต่ับันนี้ข้าพเจ้าจะต้องหนีออกไป แสวงหาทางที่ไม่มาเวียนวหาตายเคิดอีกอันนี้ท่านก็ตัดเด็ดขาดท่านก็ไปได้เด็ดขาดจากได้มาพิจารณาดูตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าองค์ไหนที่ท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามก็ท่านองค์นั้นก็ไปได้แต่ถ้าว่ายัางสองจิตสองใจหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นผลนี่จก็รวยมากกัน ตีลังกากลับมีมากต่อมากเหมือนกันเพราะนั้นชีวิตของนักพรตนักบวชนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ของยากสำหรับผู้ตั้งใจแต่ว่ากุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดไปสู่จุดนี้ได้คืออะไรในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ว่าสติ สติสัมปชัญญะคือให้มีสติอยู่ทุกทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนเวลาก้าวเดินไปก็ให้มีสติว่าเราก้าวเดินเวลาเราเดินก็รู้หนังขวาขาขวาพุดขาซ้ายถูเวลาเราจะฉันยังหันก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังฉันอาหารเวลาจะไปที่ไหนก้าวเดินเหินไปที่ไหนเราก็รู้ว่าเรา เดินก้าวเหินไปที่ไหนมีสติอยู่ตลอดอันนี้แหละคือว่าสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวในเมื่อเรามีสติสัมปะชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดอันนี้คือพื้นฐานพื้นฐานคือเป็นกุญแจที่จะเดินไปสู่มรรคสู่ผลในเมื่อเราไปนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าก็มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออ ก, กรู้ลมหายใจออก เพราะคนเราก็ต้องมีลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วจากนั้นมีสติในลมหายใจเข้าออกจิตใจของเราก็รวมออไม่คิดไปอันในอดีตไม่คิดไปในอนาคตใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งในเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นเราจะมองเห็นสิ่งรอบด้านรอบข้างของเราเท่นีเหมือนกับเรายืนนิ่งเมื่อเรายืนนิ่งแล้วเราจะรู้ว่าจะเห็นอะไรอยู่รอบข้าง ข, างของเรา อันนี้ก็เหมือนกันจิตที่สงบนิ่งเราจะมองเห็นสิ่งชั่วสิ่งดีสิ่งที่มายั่วยุจิตใจของเราสิ่งไหนที่มากวนใจของเราอารมโมโหโกธาสิ่งไหนที่เราเคยรู้เราจะรู้ว่าใจของเรามีอะไรเขามากวนจิตใจของเราอะไรเขามากระทบในขณะนั้นเพราะเรามีสติเหมือนกับนิ่งใจของเรานิ่ง นี่แหะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนภาษาวกทั้งหลายตลอดถึงพระไม่ใช่สอนแต่พระนะโยมทั้งก็สอนโยมให้มีสติเหมือนกันแต่มันก็ฝึกยากสําหรับคณะจัตยาญาติโยมแต่ถึงยังไงก็ต้องหาโอกาสฝึกฝึกไว้เพราะคนมีสติอยู่ตลอดเวลาจะไปนัาจตฐานที่ใดดูแล้วก็สวยงามแต่ถ้าคนขาดสติบ่อยๆก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกัน ทำให้เสียหายได้ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นมาเท่าไหร่เราไม่เคยฝึกสติเอาไว้ทำให้สติของเราขาดขาดบ่อยๆเมื่อสติขาดบ่อยๆก็ไม่เป็นผลดีคนไม่มีสติคนขาดสติถ้าขาดมากๆ ก, กับอย่างที่เราพวกเราเห็นนะคนขาดสติมากๆเป็นยังไงส่งพร้โรงพยาบาลศีธัญญามหาโพธิ์ไปเรื่อยเลยเพรอะไรพรคนขาดสติ เรื่องสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะฝึกวิธีการฝึกก็คือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สก่อนระลึกได้สก่อนเออข้าพเจ้าจะตั้งสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความพยายามพยายามให้มีสติอยู่ในการเดินการเป็นอยู่การทานอาหารการพูดคุย กมีสติในการเป็นอยู่ทุกอย่างในเมื่อเรามีสติพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะนั่งภาวนาเราจะเดินจงกรมจใจของเราก็ไม่ออกไปข้างนอกเพราะเราพยายามในหลักของครูบาอาจารยนะ์ทีระท่านให้่าบังคับนะบังคับให้จิตใจอยู่ในความสงบอันนี้แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องสติสัมปชัญญะ เ, เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญไม่ใช่ของพระอย่างเดียวนะ เป็นหน้าที่ของคณะชาติาญาติโยมด้วยในท่านที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลหรือสําเร็จเป็นอริยะบุคคลเนี่ยมาจากจุดนี้คือจุดสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งจิตใจไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไปทางอื่นใจนิ่ง เ, เมื่อใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละถ้าใครทำอย่างนั้นได้โดยสม่ําเสมอคนนั้นน่ะถ้าใจ หลุดรั้วใจขาดในขณะนั้นตายในขณะนั้นท่านว่าพรหมพรหมเป็นที่ไปพรหมโลกเป็นที่ไปมีสวยความสุขเอแบบมีสมาธิแต่ถ้าว่าผู้ใดยังไม่ถึงขนาดนั้นขณะที่ตายใจขาดล้ำลึกถึงคุณงามความดีที่ใดปฏิบัติบิดามารดาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีลไหวพระให้ทานรักษาศีลประกอบคุณงามความดีในสิ่งที่ดี อันนั้นบุญกุศลจะเข้าสู่พาไปสู่สวรรค์คือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรืออย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าใจเป็นกุศลแต่ถ้าว่าใจที่เป็นบาปอกุศลเข้ามาสู่ในช่วงนั้นจะ ต, ต้องบาปอกุศลก็ต้องพาไปเหมือนกับตำรวจทหารล็อกแขนพาไปใช้กรรมซะก่อนกรรมความชั่วซะก่อนนี่แหละหลักของพุทธศาสนา ท่านว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นท่านจึงสั่งสอนแนะนำสั่งสอนพภศบริษัทสีของพระองค์ว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทให้พวกเราเตรียมพร้อมสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาไว้ตายแล้วไม่สูนนะตายแล้วเกิดอีกสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดทำพูดเนี่ก็เป็นบาปเหมือนกันนะในหลักของพุทธศาสนานี เป็นปาราชิกขาดจากการเป็นพระได้ด้วยคําพูดคําพูดอย่างไรที่ขาดพระพุทธเจ้าว่าอวดอุตริมนุสธรรมคือทําอันยิ่งที่ไม่มีในตนใครก็บว่าโตเอ็นไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ก็อวดว่าข้าพระเจ้าเนีย่ยเป็นพระหรหันต์แล้วนะเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมนับถือเลื่อมใสอันนี้ก็คือขาดจากการเป็นพระได้นี่แหละอันนี้ก็คือการพูดเพียงคําวาจาเท่านั้นก่อน สามารถที่จะทําความชั่วเสียหายได้อย่างมากการกระทําไม่ต้องพูดละการกระทำเลยคือการเคลื่อนไหวทางกายมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยทว่าใจเนี่ยเขา้านื้คิดเนี่ยความนึกคิดเฉยๆเป็นบาปเหมือนกันเพราะว่าคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองไายเขาคิดเห็นผิดตามจากทํานองครองธรรมขณะที่คิดใจของเรากด โมโหโกธาชุนเชียวคล้ายๆแบบเศร้าหมองมีความทุกข์ในใจเพราะเรามีความคิดอันนี้เท่าว่าเป็นบาปทางใจแต่ยังไม่ถึงบาปมากเพราะยังไม่ได้ผิดศีล น, นะคิดในใจนี่ยังไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมธรรมคือของละเอียดกว่าอถ้าคำว่าผิดศีลก็คือเราปล่อยทางกายออกไปอไปทุกไปตีไปฆ่าเขาอันนี้ทางกายทางวาจาไปพูดออกไปอันนี้ผิดศีล ศีลนี่คือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแปลว่าศีลนี่คือรัสัมรวมกายกับวาจานะไม่ใช่สัมรวมใจนะไม่ใช่ว่าศีลคือรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลไม่ใช่ศีลน็คือรักสัรวมกายวาจากายก็ค mm, ือการกระทำวาจาคือคำพูดให้เรียบร้อยไม่ให้ออกนอกลูนอกทางไม่ให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ให้ผิดศีลธรรม อันนี้แปลว่าสัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลส่วนธรรมะเนี่ยคือทางด้านจิตใจไม่คิดไปในทางชั่วช้าเสียหายไม่คิดโลภอยากจะได้ของเขาไม่ผิดโกรธพยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจาบทํานองครองธรำทํานองครองทมก็ ค, คือไม่คิดออกไปทางผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันนี้คือใจสัมรวมใจแต่การที่จะสัมรวมใจได้เนี่ย เราเอาอะไรมาเป็นเครื่องกํากับหรือมาเป็นเครื่องบังคับหรือมาเป็นเครื่องผูกมัดไม่ให้จิตใจของเราออกไปนอกลูน อ, อกทางนั้นเราจะทําอย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่านอกจากสมาธิแล้วไม่มีคือสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองที่จะมาควบคุมจิตใจเอ่ความปรุงแต่งนึกคิดของใจได้นอกจากสติสัมปชัญญะแล้วไม่มีอย่างอื่น เพราะนั้นท่านจึงเน้นว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ในขณะที่สติกับสัมปัชญะเท่านั้นยังไม่พอท่านยังให้มีคําบริกรรมเข้าไปอีกเ อ, อเวลาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือว่าหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออ ก, ออกรู้ว่าหายใจออกก็ได้หรือว่าหายใจบริกรรมพุทโทก็ได้ท่านบอกให้จิตให้ใจอยู่ในลมหายใจเข้าออกให้เข้าให้มีเชือกมัด ใจของเราให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพราะใจของเราเป็นนา ม, มาธรรมนมันเลื่อนไปลอยมาเลื่อนไปลอยมาไม่รู้ต่ที่ไหนจ้าที่ไหนถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใจของเราคิดอยู่ทั้งวีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีไม่รู้วันไปที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราฝึกหัดเราได้ศึกษาจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะนะ เราก็เออสติคืออะไรแต่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ทีนี้เราก็เอามาละลึกถึงความรู้ตัวเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมกำลังพูดอยู่ใช่ไหมนี่แหละคือสัมปชัชญะคือความรู้ตัวในขณะนี้จากนั้นก็อนพอรู้เข้ามา ก, ก็รู้ใจเถอะคือนามธรรมคือใจใจตัวเนี้ยตัวนึกคิดเนี้ยตัวนี้แหละสาคัญมากในหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่เอท่านจึงยกเป็นพระบาลีคือหมามโนปุพังคมาธรมามโนเศรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนะ่เพราะนั้นขอให้พวกคณะสัทธายาจโยมทุกๆ ท, ท่านนะท่านเน้นหนักเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าคนจะดีหรือคนจะเลวเอะออกไปจากใจทั้งหมดถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ เราก็จะห้ามใจของเราได้เอ้ย อ, อย่าคิดไปในทางชั่วนะ อ, อ, อย่าไปคิดเบียดเบียนคนอื่นนะเ อ, อมันไม่ดีนะเปรกเวลาโกรธโกรธไปเพื่ออะไรทําไมเราจรึงโกรธเฮ้มันได้อะไรต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดหมามันไม่อยากจะเป็นหมาแต่จะมันเกิดใครๆจะจะเป็นเศรษฐีสูงสง่งด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราเราก็กรรมอย่างหนึ่งอีกเหมือนกัน กรรมคือการกระทำของเราในอดีตเราก็อยากจะเป็นใหญ่สูงขึ้นไปไม่ใช่เหรออยากจะเป็นผู้มีบุญหนักศักใหญ่ไม่ใช่เหออรอการสิ่งไหนที่สุขที่สุดสบายที่สุดร่ำรวยที่สุดยศถาบรรดาศักสูงที่สุดเราอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่เราทำไมเป็นไม่ได้เพราะกรรมคือการกระทำของเราในอดีตมันส่งไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีกรรมของใครของเรา จัดสาลายิงช้างมาโวควายหมูหมาเป็ดไก่คนหูหนวกตาบอดต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเราเพราะนั้นให้พวกเราให้ดูให้มองโลกให้เป็นธรรมชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอยู่ด้วยอย่างนี้บางทีเขามาเบียดเบียนเราเราก็เอือจะทำอย่างไงได้เพราะเรามาอยู่กับเขาเพราะเราก็อยู่ขังอยู่ในตะ ก, ก้าใบเดียวกันอยู่ในกรงเดียวกันคือโลกวัะสงสาร แล้วไม่ให้กระทบกระเทือนกันเฉลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ที่มากระทบกระเทือนเราเราอดทนอดทนอดกัน้นแต่ถ้าอดวันไม่ไหวเราก็เดินหนีซะนะอถ้าเดินหนียังไม่ไหวยังได้ยินก็ปิดหูตัวเองปิดใจตัวเองเข้าไปอีกเอพุโทโธพุโทโธสจำทับคอปีกออีกไม่นานต่างคนก็ต่างตายแล้วเอถ้าตายแล้วเราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เขาก็เช่นเดียวกันเขาก็ใช้กรรมของเขาเราก็ใช้กรรมของเรา ตางคนก็ต่างไปเนี่ยเท่าไปเรามีอะไรไปนอกจากบุญกับบาปไม่มีใครที่จะเอาอย่างอื่นไปได้กระดูกตัวเองก็ยังทิ้งไว้ในโลกอีกยศถานมันดาศักดิ์ไม่ต้องพูดถึงหละแต่ขนาดตัวเองกระดูกตัวเองจะออกไปด้วยไม่ได้แล้วไปคิดอะไรมากมายมันวางมันวางที่ใจนะถ้าเราวางที่ใจได้นะพยายามฝึกขัดวางที่ใจนะปล่อยวางที่ใจได้ถึงจะวางไม่ได้ตลอดก็เถอะนะ วางได้ช่วงขณะหนึ่งจะเป็นบุญเป็นคุณอย่างมากนะแต่ถ้าเราวางไม่ได้ไม่ได้นะเสียศูนย์นะหนักอกหนักใจคิดไปนอนไม่หลับตาแดงเฮ้อทีนะีเ้เพราะว่ามันแบกบแบกบอยู่ในใจถ้าเราวางอยู่ในใจพยายามฝึกหัดวางที่ใจนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยมีวัดขนาดนี้มีศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้ อ, ของแต่ละวีแต่ละวัน เ, เดี๋ยวกับบริหารจัดการเรื่องคุติที่พักพ่าอาศัย เหลืองน้าข้าวน้าโภชนะอาหารหยาิโยมเข้ามาเกี่ยวข้องต้องดูต้องแรงพระเนนอีกต้องพ่อก็ต้องรับภาระเหมือนกันแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่จะให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้งานอย่างนี้เราต้องทำให้ดีแต่ว่าเมื่อทำดีแล้วทำขนาดที่ทำได้แล้วเราทำเท่าที่ทำได้ดีที่สุดแล้วที่ไม่ดูดูแลไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว แต่ถึงยังไงเราก็มาทำความเข้าใจกับใจตนเองอีกนะ่นเออหลวงพ่ออินเออถึงหลวงพ่ออินจะทำดีขนาดไหนก็เถิดนะดูแลวัดวาศาสนากุติวิหารดูแลพระสงฆ์สามเณรดีที่สุดขนาดไหนก็เถิดนะอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดนะทิ้งกระทั่งกระดูกตัวเองนะหลวงพ่ออินออกไปด้วยไม่ได้นะ อ, อันนี้คร้ๆแบปล่อยวางที่ใจนะถ้าเราพยายามคิดปล่อยวางที่ใจ ทีนี้พอเราทํำงานจ่ดไหนเราก็ทําได้เราทํางานไม่ใช่งานทําเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยวางในใจอย่างนั้นแล้วงานมันจะทําเรานะเราจะเป็นทุกทุกเพราะว่าเหตุไรเพราะงานทําเราถ้าเราทํางานแล้วก็อย่า ง, างที่ว่านะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทําทําให้ดีที่สุดนะเพราฉะนั้นขอให้พวกเรา นำความคิดของหลวงพ่อไปคิดไปพิจารณาไตรตรองนะนะดูนะว่านะเป็นยังไงถ้าพวกเรางานทำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะทุกข์ใจนะเสียหลักนะแต่เราทํางานเนี่ยนะเราจะทําทําให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องเราเป็นหัวหน้าเขาเราก็ทําพยายามทําให้เต็มที่ในหัวหน้าในเมื่อเราเป็นลูกน้องรับหน้าที่อะไรเราก็ทําพยายามทําดีที่สุดเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ เราก็ทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นลูกเราก็พยายามทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดอนั่นเป็นครูบาอาจารย์เราก็พยายามทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดแต่ก่อนเราก็เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์แต่บัดนี้เมื่อเราเป็นหัวหน้าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเอาแบบแปนแผนผังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์เออสมัยเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์ ้ท่านทาไมจึงทำอย่างนั้นเอเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็คงไม่ควรจะทําอย่างนั้นในจุดนั้นเพราะเรามองเห็นแล้วเป็นนั้นคือจุดนั้นเป็นจุดบุกพ้องจยางนี้เป็นตน้นแต่บางครั้งนะหลวงพ่อว่าเอ๊ะทาไมครูบาอาจารย์จึงทําอย่างนั้นวะถ้าเป็นอย่างเราเราจะต้องทําให้เป็นอย่างนั้นะแต่พอมาทําเข้าไปจริงๆโอ้โหมันไม่ได้เลยไนงะ เออเราต้องกลับถอยเข้าไปหาแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินพอปล่อยเข้าไปท่านั่นแหะโอ้โหกิเลสเขามามาลุ ม, มาตุ้มเลยเอลูกกัดลูกน้องตะพึดตะเพิดตายทีละสองทีละสามเข้าไปเลยเถอโอ้ไม่ไๆๆ ไ, ไม่ได้ไม่ไดเ้เราปล่อยวางไม่ได้ไปจุดนั้นวะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้มงวดกวดขันมันถูกคําของท่านแล้ว เ, เอถึงยังไงยังไงถึงเราจะไม่ต้องการจะให้มันเป็นแต่เราก็ต้องบังคับให้มันเป็นอย่างนั้น สิ่งเหล่านี้แหละคล้ายๆว่าออบางสิ่งบางอย่างเราก็คิดว่าเราคิดถูกนะแต่พอเอามาใช้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ก็มีถต่เยอะแยะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องศึกษาออประสบะการณ์ของตนเองอีกต่างหากแต่ทำให้ดีที่สุดออในเมื่อมันผิดออยอมรับผิดในจิตในใจยอมแต่เมื่อมันถูกต้องเราก็เออเอา อ, อันนี้คือถูกต้องแล้วออคนจะเดินอย่างนี้ อ, อ, อันนี้คือ การดูแลการบริหารจัดการการเป็นสิ่งรอบด้านแต่ถึงยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมานะถ้าโกรธก็จะไปโกรธให้เขามากจนเกินไปนะอีกสักวันหนึ่งต่างคนต่างไปนะถ้ารักก็จะไปรักเขามากจนเกินไปนะใจนะอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างตายจากกันนะมันไม่ใช่จะอยู่โชคฟ้าดินสลายนะใจนะให้พยายามสั่งสมคุณงามความดีผู้อยู่ใกล้เออ ทำคุณงามความดีเนะ้อจะตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อบุญกุศลให้สร้างเอาไวนะ้เน้อพบหน้าชาติหน้ามีนะตายแล้วไม่สูญนะในหลักของพระพุทธศาสนานะให้พวกเราพร้อมหน้าพร้อมตากันเคียงบ่าเคียงไหลสร้างบุญสร้างกุศลนะ้เนี่ยคือพวกเราให้ในคิดไว้ในใจอยู่อย่างนั้นอยู่นักสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขมีลูกมีหลาน ม, ม, มีครอบมีครัวสามีภรรยา ว่าให้รู้จักสถานะการเป็นอยู่การวางตัวของเราด้วยความสงบผาสุักดิเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงพูดเราก็มีความสุขแต่ถ้าเรามีแตะโกนโลดเต้นโอไฟมาเผากันอยู่เรื่อยมันก็หาความสงบสุขไม่ได้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะดังหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะคือหลวงพ่ออยู่นะสถานะไหนก็พยายามทำให้ดีที่สุด ในสถานะนั้นๆั้นทำมาโดยสม่าเสมอสมัยเป็นเด่นสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นเด่นสมัยเป็นพรานุ่มอยู่กับครูบาอาจารย์จะมามาเป็นหัวหน้าก็พยายามทำตนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นทำอะไรหลวงพ่อก็ไม่หวือหวานะเหมือนทำสร้างวัตถุท้าวรนก็เหมือนกับทำเหมือนลังตอลังแตนสมัยก่อนไม่มีพระมากหลวงพ่อก็ททำน้อย พอผ้ามากขึ้นมาทำไงก็ต่อก็ไปอีกอย่าโจมมามากก็ต่อเราไปอีกคล้ายๆกับต่อขยับออกไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทําสร้างให้หรูหราโออาสําหรับตอนรับคู่คนผลในสูตรสร้างขึ้นมาแล้วหาผู้จิต ด, ดูแลรักษาไม่ได้ผลในสูตรมีแต่ขี้ตกแก่ขี้ข้างคาวเต็มไปหมดอย่างนั้นะลุงพ่อจะไม่ทํานะอพอทําไม่ได้เน้นหนักทั้งด้านวัตถุนะ หลวงพ่อไม่ได้เน้นหนักทั้งด้านวัตถุทั้งเน้นหนักเรื่องนามธรรมอยู่ในสถานที่ไดให้ใจให้ใจเป็นศีลเป็นธรรมเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดสร้างถาวรวัตถุไว้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ขัดข้องดีดีก่อนที่พวกเราชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาเป็นมาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือด้านวัตถุพยาอโศกมหาราช ที่สร้างเมืองประเทศอินเดียท่านสร้างไว้มากอย่างนาคนปรปฐมนครพนมนครศรีธรรมราชโดยสุเทพเชียงใหม่ถ้าคนโบราณเขาไม่สร้างเอาไว้เราจะได้ท้าวววัตถุเหล่านั้นเหรอท้าวววัตถุก็มีประโยชน์ อ, อแต่ว่าธรร ม, มะเนี่มีประโยชน์กว่าแต่ถ้าว่าคนมีธรร ม, มะอยู่ในจิตใจนั่นแหะเลิศประเสริฐกว่าด้านวัตถุเลยเนี่ยเป็นทําเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาแล้วนั่นละ่ะ เลือดประเสริฐกว่าเลือดประเสริฐกว่าตรงไหนถมว่าเราเน้นทา ง, งด้านวัตถุบ้านเรือนสูงส่งเหลืองอารามไปด้วยเงินคำทรัพย์สมบัติเต็มไปด้วยสิ่งรู้หลาโอออาแต่คนลูกหลานของเราขึ้นมามีแต่สอนให้กินเหล้าเมายาเล่นการพนงพนันแต่พยายามสร้างวัตถุหาเงินได้มาด้วย อะไรทั้งคดทั้งโกงมาสร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้รู้ลาไม่สร้างคุณภาพในจิตใจของลูกหลานลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ขึ้นมากค่นั้นแหละท่นี่แอมพวกนี้เลยจะลื้อบ้านลือ้อเอตึกลานบ้านช่องเรานั้นเอาไปขายกินหมดเพ้อเพขายทั้งประเทศอีกเพราะอะไรเพราะคนไม่มีคนนุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีอถึงจะมีวัตถุรู้ลาโออา ก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับคนที่ไร้คุณธรรมเหล่านั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งมาอันดับหนึ่งมนุษย์อยู่ด้วยกันต้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีจึงจะร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยามทุกๆ ท, ท่านนะนไปคิดไปพิจารณาการครองตรตรองด้วยเหตุและผล จริงไหมรับพรนะตอนนี้อนุโมทนาให้พร